นอบน้อมในพระพุทธธรรมประสงค์อันเป็นที่พึ่งที่ะระลึกสูงสุดของชีวิตแล้วก็สวัสดีกับท่านผู้มีเกียรติทุกๆ ท, ท, ท่านครับเป็นช่วงเวลาตอนเที่ยงเที่ยงเนาะหลังจากได้ทานอาหารกันมาแล้วทานอาหารกันหมดทุกคนหรือยังครับเนี่ยทานกันหมดแล้วมั้งเนาะก็ขออนุญาตนะครับแนะนําตัวนะฮะเพราะว่า จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นนักพูดมืออาชีพนะที่มานี่ก็มาในานามของชมรมเพื่อนคุณธรรมมีประธานมาด้วยนะพี่ศีนินาธประเสริฐทวีก็ที่ได้มาที่นี่เพราะว่าทางคุณน้ำทิพย์นะครับได้ติดต่อไปอาจจะเป็นจากการที่ว่าตัวเองได้จัดรายการวิทยุนะครับรายการวิทยุเป็นช่วงตะวันทอแสงนะ ก็เลยได้มีโอกาสที่จะามาพูดในที่นี้จากการติดต่อไปของอคุณน้ำทิพย์นะครับก็หวังว่าช่วงเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยก็พยายามจะนำเสนอนในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยคิดว่าจะเป็นสาระและก็มีประโยชน์กับทุกทุกท่านเพราะว่าช่วงเวลาน้อยแล้วก็ ตัวเองก็ไม่ใช่เป็นนักพูดมืออาชีพนะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่ใช่จะเป็นลักษณะของการทอล์กโชว์นะฮะแต่ว่าจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเอาเนื้อเนื้อะเอาเนื้ อ, เ น, อเนื้อว่าจากการที่ผมได้ศึกษานะฮะแล้วก็ปฏิบัติทำมาเนี่ยผมมีความรู้สึกยังไงนะครับแล้วก็อยากนําเอาความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยมาถ่ายทอดนะครับให้กับท่านผู้มีเกียรติในที่นี้เนี่ยทุกๆ ท, ท่านนะครับอลองพิจารณาดูนะฮะลองพิจารณาดูว่า เป็นยังไงนะฮะเป็นยังไงในที่นี้ก็จะมาธนาคารเนาะมาธนาคารก็อยากจะสมมุติให้ตัวเองเนี่ยเหมือนกับเซลแมนนะเหมือนเซลแมนเหมือนนักขายคนหนึ่งนะฮะที่จะมาขายของอะไรสักอย่างหนึ่งนะทีนี้การขายของเนี่ยก็ต้องมีทั้งผู้ขายแล้วก็มีทั้งผู้ที่ถูกโฆษณาขายนะผู้ที่จะซื้อสินค้า ก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยนะเช่นซักถามใช่ไหมฮะถ้าผมพูดไปแต่คนเดียวซื่อๆๆเนี่ยผมผมว่าผมขายไม่ออกนะนะขายไม่ออกเฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะให้ได้สินค้ารู้จักรายละเอียดของสินค้าให้ดีเนี่ยก็ขอความร่วมมือว่าลองมานั่งพูดคุยกันนะอย่าคิดว่านี่มันเป็นการบรรยายธรรมะหรือว่ามาเป็นการที่อะไรที่ดูว่ามันเป็นเรื่องเคร่งเครียดนะฮะอยากจะให้ทําตัวสบายสบายนะทําตัวสบายสบายนะ ไม่ไม่ต้องเคร่งเครียดอะไรนะครับเนื่องในโอกาสวันพรุ่งนี้นะฮะจะเป็นวันแม่ทุกคนที่เกิดมาเนี่ยต้องมีคุณแม่ถูกไหมฮะต้องมีคุณแม่ผมอยากจะถามคําถามแรกนะฮะคำถามแรกตอนนี้ใครยังมีคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่บั้งฮะมีใครที่คุณแม่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วคําถามอีกอันหนึ่งนะฮะก็คือว่าคนที่มีคุณแม่ไม่มีชีวิตอยู่นะ ถามว่าคุณแม่ยังอยู่ไหมอยู่ที่ไหนอ่าเกตมากเลยอย่างนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าคุณแม่เนี่ยต้องเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะฮะต้องเป็นสิ่งที่มีชีวิตน ะ, ะการตอบแทนพระคุณแม่เนี่ยเราต้องกลับไปบ้านนะครับเราต้องกลับไปดูแลท่านหรือว่ากลับไปกราบไปไหว้ท่าน นะครับแล้วบางทีถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะได้เจอท่านเนี่ยอาจจะเดือนละครั้งสองสามเดือนครั้งหรืออาจจะปีละครั้งนะฮะคือเมื่อมีเวลาว่างจริงๆเนี่ยเราถึงจะเดินทางถ้าถ้าเกิดว่าเราอยู่ต่างจังหวัดอันนั้นดูมันค่อนข้างเหินห่างนะ ค, ค่อนข้างห่างเหินแต่สิ่งที่มันมีมากกว่านั้นก็คือว่าตราบใดที่คุณแม่นะอยู่ในใจของเรานะฮะ คุณแม่ในที่นี้เนี่ยมันมีคําอยู่ในความหมายที่เรียกว่าสองลักษณะเขาเรียกว่าในลักษณะหนึ่งเขาเรียกธรรมอาทิฐานไก่อีกลักษณะหนึ่งก็คือเรียกว่าบุคลาทิฏฐานในแง่ของบุคลาทิฐานก็คือเป็นตัวตนจริงๆเป็นสิ่งมีชีวิตจริงๆนะยังกินข้าวได้อยู่นะยังยิ้มหัวเราะได้อันนี้เขาเรียกว่าบุคลาธิฏฐานนะฮะอันนี้เรียกว่าคุณแม่ไก่อีกลักษณะหนึ่งคือลักษณะ ท, ที่เรียกว่าเป็น ทำมาทิฏฐานคือเป็นพระคุณของแม่นะเป็นคุณของแม่นะตรงนี้นะฮะที่ที่เราจะพูดถึงกันเพราะว่าผมเข้าใจว่าในที่นี้เนี่ยท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเนี่ยเป็นคนดีนะท่านการที่เรามีการศึกษาการเป็นลูกที่ดีนะมีงานทําที่ดีนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีโอกาสในการที่จะตอบแทนบุญคุณท่านตามวาละตามโอกาสเท่าที่จําเป็นเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกๆ ท, ท่านเนี่ย มีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้เงินเดือนส่งไปให้กับคุณแม่นะไม่ทําตัวที่เรียกว่าทําให้ท่านเนี่ยเดือดร้อนใจนะจากการที่เราทําให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นในชีวิตนะการมีชีวิตการงานที่ดีการมีชีวิตคู่ครองที่ดีการมีครอบครัวที่ดีก็ทําให้ท่านสบายใจเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณท่านอยู่แล้ว มาพูดถึงเรื่องของการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่นะผมจะไม่พูดถึงว่าพ่อแม่มีพระคุณยังไงนะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกๆ ท, ท่านเนี่ยน่าจะรู้ดีนะน่าจะรู้ดีจะรัดเข้ามาตรงจุดที่ว่ า, วาการตอบแทนบุญคุณนการตอบแทนบุญคุณเนี่ยมันจะมีคำภาษาไทยอยู่คำหนึ่งซึ่งเราได้ยินอยู่บ่อยๆนะก็คือคาว่ากตันยูกตาเวทิตาใช่ไเคยได้ยินใช่ไหมฮะคาว่ากตันยูกตาเวที นะเป็นภาษาที่เราเราได้ยินกันอยู่บ่อยๆแล้วก็ท่านบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนที่มีความกตันยูเนี่ยท่านบอกว่านั่นแหละเป็นเครื่องหมายของคนดีนะเป็นเครื่องหมายของความดีนะเห็นด้วยไหมฮะเห็นด้วยเนาะนะคนที่มีความกตันยูกระต่เวทีเนี่ยถือว่าเป็นคนดีนี่ความหมายของมันเนี่ยผมอยากจะแยกแยะ ส, สักนิดหนึ่งเพื่อที่จะทําความเข้าใจร่วมกันก็คือว่า ไม่คำอยู่สองคำที่มารวมกันคือคําว่ากตันยูกับคําว่ากตะเวทิตากตันยูเนี่ยแปลว่ารู้คุณนะรู้คุณรู้ตรงไหนรู้ตรงใจเรานะฮะรู้ตรงใจเราเป็นเขาเรียกว่าระดับความคิดนึกรนะดับความคิดนึกนะฮะความกตันยูเนี่ยแต่ยังไม่ได้แสดงออกนะเป็นระดับความคิดนึกกตันยูเช่นนั่งเนี่ยมีความกตันยูอยู่ นะลึกรูก้ถึงบุญคุณของท่านโอ้พวกนี้เว็บ้นแม่แม่เราลําบากยังไงในการาตั้งท้องเรามา เ, าเลี้ยงดูเรามานะรู้นะและลึกถึงบุญคุณท่านได้นะกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของกะตะเวทิตากะตะเวทิตาคือการลงมือกระทำนะอาจจะเป็นเรื่องของวาจานะไม่ไปพูดให้ท่านได้เสียอกเสียใจใช่ไหมฮะไม่พูดจากระทบกระเทียบไม่ อ่าสอเสียดไม่โกโหกอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นวาจา น, นี่เป็นเขาเรียกว่าจีกรรมนะอีกอันนึงก็คือการกระทําทางกายนะเช่นการอ่อนน้อมถ่อมตนการมีสัมมาคารวะหรือแม้แต่เรื่องของการเลี้ยงดูท่านนะฮะเรื่องของการเลี้ยงดูท่านเรื่องอ่าการตอบแทนบุญคุณท่านนะด้วยกายด้วยวาจาด้วยการกระทําอันนี้คือการแสดงออกนะแต่ถ้าเรายังคิดอยู่นะอันนี้เขาเรียกว่ามีความกระตันอยู่ มีความกระตัอยู่แต่ถ้าลงมือทำามไหรนี่ก็คือเขาเรียกว่าครบมนโนกรรมวจีกรรมกายกรรมนะครบแล้วนะแต่ถามว่าเราทำดีแค่นี้เนี่ยคุ้มหรื อ, อยังนะคุ้มหรื อ, อยังคุ้มมะผมอยากสอบถามความความเห็นนะฮะท่านใด ม, มีมีการตอบแทนพระคุณที่เรียกว่า สำหรับตัวเองนะฮะที่คิดว่าเป็นสิ่งที่น่าประทับใจเนี่ยผมผมจะขออนุ ญ, ญาตสักสองสมท่านนะฮะช่วยเล่าประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะฮะที่ที่เป็นการกระทําของตัวเองที่เรียกว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อาจจะในวาระนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าอในวาระที่ผ่านผ่านมาที่ไม่ใช่ <laughs> จําเป็นต้องเป็นวันแม่ก็ได้นะมีไหมฮะขออาสาสมัครอาเชิญครับ มาแบ่งปันประสบการณ์กันนะฮะคุ ณ, ค, ณคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับโอ้อายุมากาาอ๋อครับผมขอบคุณครับมีท่านอื่นหรือไม่ฮะ <laughs> มีใครจะแบ่งปันประสบการณ์บ้างไหมเอาคนที่คุณแม่ไม่อยู่ดีกว่าอ่าตอนนี้คุณแม่อยู่ล้วคุณแม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็กําลังดูแลอยู่เอาของน้องเนี่ยที่คุณแม่ไม่อยู่เนี่ยก็คือ ในฐานะที่คุณแม่ไม่อยู่เราก็าได้อุทิศส่วนกุศลไปให้นะครับตามกติความเชื่อของของชาวพุทธนะครับมีอีกสักท่านไหมฮะเชิญครับกับกับกับผมขอบคุณครับเห็นไแต่ละคนแต่ละท่านจะมีวิธีการจะมีความเห็นเนี่ยไม่เหมือนกัน ไม่มีสิ่งอะไรที่ไหนที่เรียกว่าผิดนะฮะมันถูกนะของทุกๆคนแหละถูกในสถานะที่ตัวเองเป็นอยู่นะครับแต่มุมมองที่เรามผมพยายามจะชี้ไปเนี่ยจะเป็นมุมมองอสุดท้ายนะจะเป็นมุมมองอสุดท้ายเพราะว่า<ม>เพราะว่าอะไร<ม>เราเกิดมาทั้งทีเนี่ยนะฮะคุณพ่อคุณแม่ให้กายให้ใจ นะภาษาทางธรรมเนี่ยเขาบอกว่ารูปนามขันห้าเรามานะเราเอาไปทําอะไรอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเราใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยคุ้มค่าสูงสุดหรือยังนะตรงนี้ต้องเป็นคําถามที่ทุกท่านต้องหาคําตอบนะฮะนึกหาคําตอบเอาว่าเราขณะนี้เนี่ยเราใช้ศักยภาพของตัวเราเองเนี่ยสูงสุดหรือยังซึ่งอันนั้นเนี่ยผมเห็นว่านั่นคือตอบแทนบุญคุณ ของคุณพ่อคุณแม่อย่างอย่างดีที่สุดนะบางคนก็อาจจะบอกว่าเรามีความตั้งใจในการทำงานดีอย่างดีที่สุดเราจะทำหน้าที่ของพลเมืองดีอย่างดีที่สุดนะเราจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นอย่างนี้นะฮะจะมีอย่างนี้เนี่ยเยอะแยะมากมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ า, วาแต่ละคนเนี่ยจะมีความเข้าใจต่อชีวิต มีความเข้าใจต่อการที่เราจะใช้ตัวเราเองเนี่ยเาเรียกว่าได้ประโยชน์สูงสุดได้ยังไงนะเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งจำเป็นการเกิดมาทั้งทีนึงเนี่ยนะเราต้องใช้ทรัพยากรทุกอย่างนะจริงๆแล้วคุณแม่ในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงคุณแม่ที่เป็นสตรีเฉยๆ น, น, นะจริงๆแล้วเรามีคุณแม่อีกเยอะแยะใช่ไมฮะอย่างเช่น ข้าวก็เรียกว่าอะไรอ่าพระแม่โพสตใช่ไหมฮะน้ําใช่ไหมฮะนะแล้วแผ่นดินล่ะเห็นไหมเรามีแม่เยอะแยะเลยนะเรามีแม่เยอะแยะเลยถ้าเราจะมองเฉพาะคุณแม่ที่เป็นสตรีที่เบ่งคลอดเรามาเฉยๆเนี่ยผมอาจจะว่าดูแคบไปนหน่อยนะดูแคบไปนหน่อย แล้วบางทีการตอบแทนบุญคุณของท่านเนี่ยก็จะมุ่งไปเฉพาะผู้ที่เป็นแม่ที่เป็นตัวตนบุคคลคนคนเดียวรู้ไหมฮะแต่ถ้าเรามาสํานึกบุญคุณของสิ่งที่เราทําให้เรามีชีวิตอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นดินน้ำนะอากาศนะป่าไม้สิ่งแวดล้อมทุกอย่างเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้ตัวเราเนี่ยที่มันยังอัตภาพนี้ดําเนินอยู่ได้มีชีวิตยัง ยังยังเดินเหินได้พูดได้อยู่เนี่ยเราต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมอาศัยปัจจัยอะไรต่างๆนี่เยอะแยะมากมายซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีบุญคุณต่อชีวิตของเราเช่นเดียวกันถ้าเราสํานึกอย่างนี้ได้มากขึ้นเนี่ยเราจะมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อทุกๆสิ่งมากกว่าที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เฉพาะว่าบุคคลที่เบ่งคลอดเรามานะอย่างอา่อาพระแม่ธรณีอย่างนี้นะการที่เราจะตอบแทนบุญคุณท่านเราทําอะไร พ่แม่โภสบนะเวลาเราจะกินข้าว <c oughs> เห็นไหมฮะถ้าเรามีความระลึกถึงบุญคุณของสิ่งที่ทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้ตั้งแต่แรกมีชีวิตขึ้นมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยผลก็คือจิตใจของเราเนี่ยจะดีงามยิ่งขึ้นเรื่อยๆไปตรงนี้นะฮะผลอยู่ตรงนี้นะผลคือจิตใจของเราจะดีงามยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะคือมีกุศลเกิดขึ้นในใจของเราทุกครั้งที่เราสํานึกถึงบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณต่อเราเนี่ยจิตใจของเราจะเบิกบาน ดูออกไหฮะจิตใจของเราจะเบิกบานเั้นผลจากการที่ว่าทําไมเราจึงต้องระลึกถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณอันหนึ่งก็คืออันนี้ฮะจิตใจของเราจะเบิกบานเป็นกุศลนะฮะแช่มชื่นเบิกบานมีความอิ่มอกอิ่มใจคราวใดที่เราทําดีต่อผู้มีพระคุณนะแม้แต่เดินไปแล้วเราเห็นถังขยะที่มันหกเลี้ยล่าดอยู่ตามพื้นเราก็สามารถที่จะหยิบเก็บขึ้นมานั่นก็คือการทําความสะอาดพระแม่ธรณีการที่เราไม่ทิ้งขยะลงใน และแม่น้ําลําคลองเห็นไหมฮะเราก็ได้เอื้อเฟื้อต่อพระแม่คงคาอย่างนี้เป็นต้นเั้นการใช้ชีวิตในลักษณะนี้เนี่ยจะเป็นการตอบแทนกับผู้มีพระคุณกับเราเนี่ยได้ในระดับหนึ่งนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสไว้ว่าการตอบแทนพระคุณพ่อแม่เนี่ยบอกว่าพระพุทธองค์ยกมาแบบอย่างแบบสุดๆเลยให้เราเห็นเลยนะะว่าต่อให้เราเนี่ยแบก นะคุณพ่อนะสมมุติเราอยู่บนไหล่ขวาคุณแม่อยู่บนไหล่ซ้ายของเรานะะไม่ต้องให้ท่านทําอะไรเลยนะจะกินเราก็บริการให้จะอาบน้ำํำเราก็บริการให้จะขับถ่ายจะปัสสาวะจะอุจจาระเราบริการให้ทุกอย่างเลยนะทําถึงปานนี้เนี่ยพระพุทธองค์ก็บอกว่านี่ยังไม่ใช่เป็นการตอบแทนพระคุณท่านได้อย่างดีที่สุดนะแล้วทำถึงปานนี้นะเราเราทําถึงตอนไหนละ เราถึงตอนไหนแล้วนะตอบ่าเองนะตอบาเองนะแต่ผู้องกล่าวว่าถ้าหากลูกนะคนใดท่านใดนะสามารถที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่นะอันนี้ผมจะไม่พูดแต่คุณแม่นะรวมรวมคุณพ่อไปด้วยนะพูดเผื่อวันพ่อไว้ด้วยแล้วกันสามารถที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ที่ยังเป็นผู้ที่ไม่ให้ทานนะให้เป็นผู้ที่มีความจิตใจที่จะให้ทาน ได้เริ่มต้นแล้วนะนี่เป็นทางนะนี่เป็นทางที่จะตอบคุณบุญคุณท่านเห็นไหมทําแค่นี้เองนะเหนียวนําท่านยังไงก็ได้ให้เป็นผู้ที่จักไม่เคยเห็นคุณค่าของการให้ทานไม่เป็นผู้ที่มีจักจิตใจฝักใฝ่ในการให้ทานนะจากผู้ที่ไม่มีศีล น, นะศีลห้าไม่เคยครบเลยห้าข้อนะในที่นี้มีใครมีศีลครบห้าข้อบ้างยกมือ <laughs> ครับไหมเอายกสูงสูงนะยกสูงสูงเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากนะนะเห็นไหมอะไรที่เราทำให้เราไม่ครบนะเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นถ้าเราสามารถที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ของเราจากเป็นผู้ที่ไม่มีศีล น, นะให้เป็นผู้มีศีล น, นี่เนี่ยเริ่มเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ถูกทางแล้วนะแล้วในขณะเดียวกันถ้าหาพ่อแม่ท่านใดที่ยังไม่ได้ทา จเจริญสมาธิจเจริญภาวนานะไม่ได้ปฏิบัติธรรมให้มาเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมแล้วยิ่งถ้าสามารถที่จะสนับสนุนหรือว่าเหนี่ยวนําให้ท่านเนี่ยสามารถปฏิบัติจนกระทั่งเรียกว่าเรียกว่าปิดประตูบายได้นะไม่ไปไม่ไปถูกไปสู่ที่ต่ําได้เนี่ยอันนี้ท่านยกเครดิตให้ถึงเรียกว่านี่คือการตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างแท้จริง ที่สุดของการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เป็นระดับเห็นไหมฮะว่าการตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีตั้งแต่เรื่องของทางกายนะฮะทางกายแล้วยิ่งสูงขึ้นไปคือระดับจิตใจนะเราคงจะเคยได้ยินฮะว่าผู้ดวงกล่าวไว้ว่าการให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยย่อมชนะการให้ทั้งปวงเห็นไหมฮะเหมือนกันเลยฮะเข้าเข้ า, เ ข, าเข้าล็อกนี้พอดีเลยก็คือ การที่เราจะตอบแทนตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหรือว่าของผู้มีพระคุณของเราเนี่ยไม่ว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยการให้ทำเป็นทานนั่นแหละคือการให้ทำนั่นแหละครับธรรมะนั่นแหละครับเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ถือว่าสูงส่งที่สุดเพราะว่าการตอบแทนธรร ม, มะด้วยการให้ธรร ม, มะเนี่ยถ้าเราพูดในภาษาของเราเนี่ยเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ไม่มีฤทธิ์ข้างเคียง นะเราซื้อขนมไปให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะมีฤทธิ์ข้างเคียงได้นะเช่นเบาหวานนะไขมันในเลือดสูงใช่ไหมฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีขยะนะใช่ไหมฮะยังมีขยะเกิดขึ้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอาหารที่ย่อยเข้าไปเนี่ยยังมีอุจจาระออกมาอีกเห็นไหมนี่คือผลผลิตจากการให้เขาเรียกว่าวัตถุหรือว่าเป็นปัจจัยที่ให้ทางกายแต่ถ้าเราให้ธรรมะเป็นทานเมื่อไหร่ให้คืนท่านเมื่อไหร่เนี่ยไม่มี ไม่มีฤทธิ์ข้างเคียงไม่มีขยะไม่มีเขาเรียกว่าบลญรพิตเกิดขึ้นเลยตรงนี้สําคัญนะนี่เป็นมุมมองหนึ่งที่เรียกว่าทําไมถึงการให้ธรรมะถึงเป็นการชนะการให้ทั้งปวงนะนี่การให้ธรรมะเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยยังไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะยังเป็นคนธรรมดายังทำมาหากินบางคนอายุเจ็ดสิบแปดสิบปีนี้ยังยังไม่เลิกขายของก็คือหมายว่า ยังทําเหมือนเดิมฮะยังไม่ได้มีจิตใจที่อย่างที่บอกฮะไม่เคยให้ทานไม่สนใจจะให้ทานบางคนจะให้ทานรู้สึกเสียดายอีกต่างหากเพราะว่าบางทีอตัวเองอดอดอยากอยากมาเนี่ยกว่าจะสบายช่วงนี้เนี่ยเวลาจะให้เนี่ยรู้สึกเสียดายนะมีนะมีนะมนะไม่เคยถือศีลเลยนะไม่เคยถือศีลเลยนะศีลตัวเองไม่เคยครบนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราสามารถที่จะไปเหนี่ยวนําน่ยให้ท่านกลับมามีทางนี้ได้เนี่ยเพราะอะไร ผมยกตัวอย่างเหมือนอย่างงี้ครว่าเคยได้ยินอยู่เข้าใจว่าคงเคยได้ยินกันอยู่ก็คือเขาบอกว่าถ้าเราต้องการให้คนในคนคนนี้หรือว่าครอบครัวนี้หรือว่าหมู่บ้านนี้ก็แล้วแต่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองเนี่ยระหว่างการซื้อปลาไปให้เขากับการเอาเบ็ดไม่ให้เขาเนี่ยอันไหนคือการพัฒนาที่ยั่งยืนใช่ไหมฮะทุกคน ร, ร, รู้ถ้าเราซื้อปลาไปให้ ก็คืออย่างนี้ฮะการตอบแทนบุญคุณท่านทำอะไรให้ให้ให้ใหทาอะไรให้ทุกอย่างคนที่ถูกให้ไม่สามารถที่จะ survive ได้ด้วยตัวเอง s e r v i v e ก็คืออยู่รอดได้ด้วยตัวเองนึกออกไหมฮะต้องพึ่งพิงคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะเหนี่ยวนำให้ท่านสนับสนุนกระตุน้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะให้ท่านสามารถที่จะทำสิ่งนั้นนั้นเนี่ยได้ตัวท่านเองได้เช่น สามารถที่จะทําทานได้เองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาชวนนะสามารถที่จะสมาทานศีลอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาขอร้องอะไรอย่างเงี้ยนะคือทําด้วยการที่เห็นคุณค่าหรือว่าเห็นความสําคัญจริงๆได้ด้วยตัวท่านเองเนี่ยอันนี้แหละครับเป็นทางรอดของตัวท่านนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมเนี่ยจึงเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ที่เรียกว่าถูกทางที่สุ ด, ดเหนือกว่าการตอบแทนบุญบุณโดยการเลี้ยงดูกายของท่านก็คือให้ท่านสามารถที่จะ เมื่อท่านทําแล้วนะีการให้ทานการถือศีลเมื่อท่านทําแล้วแม้แต่เรื่องของการปฏิบัติภาวนาต่างๆแล้วเนะี่ยก็คือว่าท่านสามารถที่จะหมดความทุกข์ด้วยตัวท่านเองได้ไปเรื่อยๆตามระดับขั้นนึกออกไหมฮะนี่คือการซื้อประกันภัยที่แท้จริงให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเรานะประกันภัยไม่ใช่หมายว่าเราซื้อ AA ไปให้คุณแม่นะคุณพ่อนะสิบล้านแล้วเวลาคุณพ่อคุณแม่ตายแล้วใครได้ใช่ไหมฮะ ใช้ได้เรานั่นแหละได้เพราะใส่ชื่อเราไว้ผู้รับมรดกนะฮะแล้วที่สําคัญก็คือว่าประการชนิดนั้นเนี่ยประการคุณพ่อให้เราของเราไม่ให้ไปตกนรกได้ไหมประกันคุณแม่ของเราไม่ให้ไปตกนรกได้ไหมประกันคุณพ่อคุณแม่ของเราให้ไปสวรรค์ได้ไหมไม่ได้เนะฮะไม่ได้นะนี่คือเหตุผลที่ว่าย้อนกลับมาสู่ตัวเราว่าเราทํำยังไงเราจึงจะมีความสามารถ ในการที่จะกลับไปเหนี่ยวนำหรือว่าให้ทําเป็นทานกับพ่อคุณพ่อคุณแม่ของเราได้ตรงนี้สาคัญนะฮะตรงนี้สำคั ญ, ะะคญใช่ไหมฮะถ้าเราไม่รู้จริงเนี่ยเราจะเอาอะไรไปฝากคุณพ่อคุณแม่เหมือนเราสอนลูกนะฮะถ้าเรารู้ไม่จริงเนี่ยสอนวิชาคณิตศาสตร์อย่าเงี้ยนะรู้ไม่จริงเลยนะไปทาโจทย์ให้ลูกสอนลูกพยายามจะสอนลูกเนี่ย แล้วปรากฏว่าผิดอย่างนี้นะโอ้โหเสียเครดิตมากเลยวันหลังลูกไม่เชื่อแล้วนะลูกไม่เชื่อแล้วใช่ไหมฮะตรงนี้แหละครับย้อนกลับมาสู่ตัวเราเองนะฮะว่าในเบื้องต้นที่สุดแล้วเนี่ยเราเองนั่นแหละครับต้องเริ่มที่ตัวเราถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ของเรายังไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งยังไม่มีหลักประกันในชีวิตเลยนะหลักประกันในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ามีที่อยู่อาศัยบ้านหลังโตโตมีรถยนต์คันใหญ่ๆนะมี เ, เงินเยอะๆนะมีเรียกว่าปัจจัย4ี่ปัจจัยห้าเนี่ยพร้อมเพียงเนี่ยอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นไม่ใช่หลักประกันของชีวิตนะเพราะในทัศน์ของพุทธศาสนาเนี่ยถ้าหากเรายังไม่สามารถที่จะทําให้หมดกิเลสไปจากจิตใจของเราได้เนี่ยยังมีเชื้ออยู่ข้างในเนี่ยคุณยังจะต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่ซ้าแล้วซ้ําอีกเรามีหลักประกันอะไรในการที่จะเดินทางไกล ต้องเริ่มที่เราก่อนนะถ้าเราไม่มีเนี่ยเราจะ อ, าอะไรไปสอนเอ้ไม่ใช่สอนดิไปแนะนานะฮะไปแนะนําไปเนี่ยวนําไปสนับสนุนไปเ้าเรียกว่าอะไรทำยังไงก็ได้ด้วยอุบายของเราที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยมีหลักประกันในชีวิตได้จริงๆริงนะงั้นย้อนกลับมาสู่ตัวเราเลยว่าเราใช้กายใช้ใจของเราเนี่ยได้เกิดประโยชน์ประโยชน์สูงสุดหรือยังนะ เรายังอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าให้เลิกบ้างานนะเรายังคงต้องทํางานนะยังต้องคงใช้ยังคงต้องใช้สมมุติแต่ว่าแต่ว่าเราต้องหันกลับมามองทางด้านธรรมะให้มากขึ้นนะเราต้องหันกลับมามองหันกลับมาให้คุณค่าทางด้านคุณธรรมโดยเฉพาะตัวชีวิตจิตใจของเราให้มากขึ้นและใช้มันนะให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทีนี้เราจะใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไงใช่ไหก็อย่างที่บอกถ้าเรายังเป็นผู้ที่ไม่เคยให้ทานนะก็ต้องเริ่มให้ทานนะเริ่มให้ทานขณะที่เราให้ทานจิตใจของเราเป็นยังไงคอยสังเกตดูนะในขณะที่เราทำบุญนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุทิศส่วนกุศลหรือว่าทำบุญบริจาคให้ทานเนี่ยจิตใจของเราเป็นยังไงนะ เรายังเป็นผู้ที่ไม่มีศีลเมื่อกี้มีศีลอยู่ครบอยู่ไม่กี่คนนะอยากจะถามว่าที่มันไม่ครบเนี่ยมันไม่ครบข้อไหนตบยุงมันเป็นยังไงตบยุงอมีมมีมมีที่ไม่ครบไม่มีอะไรอีกตหลงตบยุงมีอะไรไหมฮะสาหรับคนที่ที่ทํางานของทางด้านเกี่ยวกับธุรกิจอันหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่ามัน มันเป็นจุดที่อ่อนไหวมากเลยนะก็คือวาจาวาจานะหรือคือเรื่องของการพูดไม่จริงอะนะนะพูดไม่จริงซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะ <c oughs> ถ้าพวกตามตรงอะเพราะว่าแต่เพียงจะชี้ให้เห็นฮนะว่าการพูดไม่จริงเนี่อันตรายมากขนาดไหนนะเอาคำสูงสุดของพระพทุทธองค์มากล่าวเลยก็คือว่าพระพุทธองค์กล่าวว่า นั่นเองเนี่ยท่านไม่เห็นว่าความชั่วใดๆที่คนพูดโกหกทำไม่ได้ขนาดนั้นเลยนะคนที่พูดโกหกเนี่ยพูดไม่จริงเนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่เห็นเลยว่าความชั่วอันใดที่คนคนบอย่างประเภทอย่างเี้ยเนี่ยทําไม่ได้เั้นการที่เราพูดโกหกแม้เล็กๆน้อยๆเนี่ย จริงๆแล้วมันเป็นอันตรายระยะยาวแล้วก็มีผลเสียต่อจิตใจของเรามากเราจะเห็นชัดมากเลยฮะตอนที่เรามาเจริญสติตอนที่มาทำความรู้สึกตัวมาปฏิบัติทำเนี่ยนะทำสมาธิทำภาวนาเนี่ยคนที่โกหกตัวเองอยู่บ่อยๆหรือว่าพูจากโกหกอยู่บ่อยๆเนี่ยมันจะหลอกตัวเองอยู่เรื่อยไปเพราะว่าการที่เราพูดโกหกอยู่ซ้าๆบ่อยๆเนี่ยนั่นแหละคือการสร้างอุปนิสัยการสร้างอุปนิสัย ก็คือการสร้างนิสัยนิสัยเกิดขึ้นจากอะไรนิสัยเกิดขึ้นจากการที่ทําซ้ําๆทําซ้ําๆนะฮะทําซ้ําๆนะเช่นเรากินข้าวเนีฮะก่งก่งก่งก่งก้างนะตั้งแต่เด็กมาเลยนะเนี่ยทําซ้ําๆพอมันโตขึ้นมันก็อย่างนั้นอนะ่ะถูกไหมเรากินข้าวก็เห็นไหมมันโตขึ้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอนะ่ะทาซ้ําๆนะเดินทื่เดินลงเท้าแรงแรงแรง แล้วไม่มีใครสอนไม่มีใครดัดแปลงให้เวลาเราเดินเราก็จะเดิ น, นลักษณะอย่างนั้นนี่คือการทําซ้ําๆคิดเหมือนกันนะคิดในทางลบบ่อยๆคิดอิจฉาบ่อยๆนะคิดหงุดหงิดบ่อยๆนี่คือการทําซ้ําๆพอทำซ้ําๆแล้วเนี่ยสิ่งนี้ก็กลายเป็นอุปนิสัยนะในทางธรรมเขาเรียกว่าอนุสัยที่มันนอนเนื่องอยู่ในสันดานก็คือมันมันมันทําของมันอยู่อย่างนั้นอนะมันเคยทําเห็นไหมฮะ ดังนัผู้ทงถึงกล่าวว่าไม่มีสิ่งชั่วร้ายใดๆหรือว่าไม่มีความไม่ดีอันใดที่คนที่พูดโกโหกทําไม่ได้ใช่นะดังั้นเราจรึงถ้าเรา ต, ต้องการฝึกเนี่ยเราต้องทวนนะเราต้องทวนในขณะ น, นี้ถ้าเราพูดจริงไม่ได้เราก็ไม่ต้องพูดก็ได้อะไรอย่างนี้นะนะเว้นไปก่อนนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ย ถ้าเราโกหกไปเพียงแค่ว่าเพื่อให้เขาสบายใจนะแม้แต่บางทีนะโกหกไปหรือว่าอาจจะพูดไม่จริงไปด้วยเพียงแค่ว่าให้เขาสบายใจสัหน่อยหรือว่าพูดไม่จริงเพื่อที่จะทําให้เกิดประโยชน์กับเขาเองเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะส่วนใหญ่บางคนคิดเข้าข้างตัวเองว่าเราไม่พูดหรือว่าเราพูดไม่จริงแล้วเนี่ยเขาสบายใจอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าเราทําถูกอย่างงี้นะอันนี้ก็ไม่ใช่นะถ้าเราโกหกตัวเองบ่อยๆเนี่ย อีกหน่อยเนี่ยพอเราจะปฏิบัติจริงๆเขาเนี่ยปฏิบัติต o n ๆเขาเนี่ยมันตรงไม่ได้ฮนะเพราะมันหลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลานะเหมือนกับเราชี้นกเป็นไม้ชี้นกเป็นไม้อยู่ตลอดอย่างเงี้ยนะต่อไปมันจะชี้นกเสร็จปุ๊บมันบอกเป็นไม้เลยนะฮนะคล้ายๆกันอย่างนี้นะนี่คือขั้นต้นหรือว่าขั้นตอนที่สำคัญมากของการพัฒนาจิตเราต้องยอมรับว่าการใช้ทรัพยากรสูงสุดของตัวเราเนี่ยอยู่ที่การใช้จิต กายกับจิตถ้าเราก็จิตเป็นนายกายเป็นเบาถูกไหมฮะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ทรัพยากรสูงสุดที่มีอยู่ในตัวเรากายเรามีอยู่แล้วนะจิตล่ะเป็นยังไงกายนี่เราดูแลมันดีพออย่างนะดีพอนะฮะไม่ใช่ดีเกินนะฮะไม่ใช่ดีเกินดีพอนะหรือว่าถ้ากลับคำซะหน่อยนะอะไรพอดีดเห็นไหมฮะ ดูกายแต่พอดีนะไม่ต้องพอใกนะอพอให้มันมากนะไม่ต้องพอกให้มันมากนะไม่ต้องพเนาพนอมมันเพราะว่าท้ายที่สุดร่างกายของเราเนี่ยเป็นแค่ของใช้นะกายของเรานี่เป็นแค่ของใช้ไม่ใช่ของน่ายึดถือไม่ใช่ของที่เราจะไปทะนุถนอมไม่ใช่ของที่จะไปพเนาพนอมมันเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะทรยศเรา เรากินข้าวเมื่อกลางวันทานข้าวกันมานี่เลือกของเน่าๆให้มันไหมไม่มีใช่ไหมเสื้อผ้าก็รีดให้มันใส่สั่น้ายาซักผ้านุ่มนะรีดสกีบงงเลยเคยใส่เสื้อผ้าแบบปูๆป่าๆขาดๆให้มันไหมนะยาก็ไปซื้อยาของปลอมยี่ห้อหวยๆตามร้านที่เราไม่ค่อยรู้เคยให้กินให้มันไหมไม่เคยหละครับเราให้มันแต่ดีๆทั้งนั้นเลยนะร่างกายเราแล้วท้ายที่สุดเนี่ย ตออายุสักสี่สบห้ิปีบอกอย่าเป็นเบาหวานเลยนะอย่าเป็นไขข้อเสื่อมเลยมันเชื่อเราไหมมันไม่เคยฟังนะไม่เคยฟังเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยจึงเป็นของใช้ต่อให้เราไม่ใช้อะไรมันเลยนะฮะท้ายที่สุดมันก็จ ะ, ะแสดงท่าแทของมันออกมาคือความเป็นจริงของเขาเขาเป็นอย่างนั้นนั้นถ้าในระหว่างนี้เนี่ยกําลังวางชายอย่างดีอยู่นะแข่งขายอย่างดีอยู่อย่างนี้นะฮะถ้าเราไม่รีบใช้เขานะ พอเสิร์ฟแล้วอย่าหวังว่าจะไปใช้เขาอีกนะก็ไม่ฟังแล้วบอกให้เดินนะเดินเดินไม่ไหวนะปวดนะนั่งนะนั่งนั่งนั่งไม่ได้แล้วนะเข่าไม่ดีเห็นไหมทำยังไงนอนนอนก็หลับเลยทีนี้ปฏิบัติไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้แล้วนะนั้นในระหว่างนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่เราจะใช้ทรัพยากรของตัวเรา ในการพาชีวิตจิตใจของเราเนี่ยไปสู่ที่ดีที่สุดเป็นหลักประกันให้กับตัวเราแล้วท้ายที่สุดก็คือการนำเอาความรู้การนำเอาความเข้าใจอันนั้นเนี่ไปสู่ผู้ที่เป็นบุคคลเป็นที่รักของเราต้องเริ่มที่เราก่อนนะเราใช้ทรัพยากรที่ดีที่สุดของเราเนี่ยไปในสิ่งที่ดีที่สุดหรือยังก็คือพาชีวิตของเราเนี่ยไปสู่ที่สะอาดสว่างและสงบในที่ที่มันไม่มีทุกข์ นะไม่คิดเบียดเบียนตัวเองไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นไม่เอาวาจาเบียดเบียนตัวเองไม่เอาเจ้วาจาเราไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่เอาการกระทําของทางกายของเราเบียดเบียนตัวเราเองไม่เอาการกระทําทางกายของเราไปเบียดเบียนผู้อื่นประโยชน์ตนพร้อมหรือยังประโยชน์ท่านถึงหรือยังเห็นไหมฮะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่ใจเพราะว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าว ถ้าจิตใจของเราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะฝ่าต่อความอยากนะไม่สามารถที่จะสลัดออกจากความอยากนะความยินดีอยากได้ความไม่ยินดีความไม่อยากได้ความยังถูกเรียกว่ากิเลสตันหาอุปาทานยังครอบงาจิตใจเราอย่างร้อยเอร์เซ็นเนี่ยแล้วออกจากมันไม่เคยได้เนี่ยเราเราไม่มีทางที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเราได้นะ คุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่หรือว่าแม้แต่เพื่อนฝูงร อ, อะไรแล้วแต่ล้วนเป็นครูให้กับเราทั้งสิ้นนะผมมีคนรู้จักท่านหนึ่งนะเป็นรุ่นน้องนะสามีเป็นรุ่นพี่แพทย์ก็เล่าให้ฟังว่าคุณแม่เขาเนี่ยแม้แต่ตอนที่กําลังป่วยหนักกําลังจะตา ย, ายเนี่ยก็สอนเขาจนถึงวาระสุดท้ายสอนเขา สอนในที่นี้เนี่ยไม่ใช่พูดนะไม่มีแรงจะพูดแล้วเพราะว่าเป็นมะเร็งนะปวดทุกทรมานไม่มีแรงที่แม้แต่จะพูดแต่ด้วยอาการที่เป็นอยู่นั่นแหละได้สอนสิ่งอันเป็นความจริงสูงสุดให้กับลูกนะคือคื อ, ค, อความป่วยความใกล้จะตายแล้วก็ความตายเพราะั้น พ่อแม่นะจึงเป็นครูเป็นผู้แสดงโลกแกล่ลูกแสดงโลกคืออะไรแสดงโลกก็คืออันนี้เกิดแก่เจ็บตายทาให้ดูนะทาให้ดูแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาไม่ได้พิจารณาเราจะไม่น้อมสิ่งนั้นเข้ามาตัวเราเองและเราก็จะยังเพลิดเพลินอยู่กับโลกเราจะยังเพลิดเพลินอยู่กับโลกนะซึ่ง นั่นถือเป็นความประมาณเพราะว่าเมื่อเราถึงวัยที่เรียกว่าสมควรกับเวลาแล้วเนี่ยสภาพสังขารร่างกายของเราเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันแก่เกินใช้อะนะมันพังเกินใช้เราต้องใช้กายเนี่ยเป็นเครื่องมือในการฝึกจิตเราไม่ได้มีกายเอาไว้ยึดถือไม่ได้มีกายเอาไว้พเน็อพนอแต่มีกายเอาไว้ฝึก เอาไว้ใช้ใช้มันขุดดินแต่กายผมเนี่ยไม่ใช้ขุดมันขุดดินเนี่ยตอนอายุห้าสิบหกสิบปีเนี่ยมันก็เป็นไขข้อเสื่อมมันจะขุดดินไม่ไหวต่อให้ผมนอนเฉยอยู่อย่างนี้มันก็ถึงอายุขนาดนั้นมันก็เป็นตอนนี้ผมใช้มันทำอะไรผมใช้ให้มันเดินจงกรมทำความรู้สึกตัวใช้ให้มันขุดดินปลูกต้นไม้เป็นการคืนทุนให้กับธรรมชาติ อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นร่างกายเราเนี่ ย, ม, ยมีไว้ให้ใช้ใช้กายเคลื่อนไหวแล้วทําความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็คือสติก็คือสติในที่นี้เนี่ยมีใครรู้สึกตัวบ้างเอ๊ะเอาใหม่ต้องถามใหม่มีใครไม่รู้สึกตัวบ้างยกเบอฮะมีใครไม่รู้สึกตัวบ้างมีไหม ไม่มีนะมีแต่คนมีรู้สึกตัวหมดเลยนะแต่ท่านเชื่อไหมว่าถ้าท่านไม่เจริญสติไม่ทําความรู้สึกตัวหรือว่าหรือว่าไม่เจริญสติในในในการปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยนะทุกคนไม่มีความรู้สึกตัวจริงๆมันมีนะแต่มันไม่มีผมไม่ใช่พูดกวนนะโทษนะครับผมขอกระดาษแผ่นหนึ่งเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่ผมพูดถึง ก็คือทุกคนมีความรู้สึกตัวแต่ทุกคนไม่รู้สึกตัวเพราะว่าทุกคนกําลังคิดอยู่ความคิดนั่นแหละครับเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดที่เป็นเครื่องมือในการบดบังความรู้สึกตัวชักงงเลยใช่ไหม <laughs> ยิ่งคิดยิ่งงงนะแต่ถ้ารู้สึกเฉยเฉยเอาเนี่ยรู้สึกเฉยเเนี่ยนะนะมันจะมีความรู้สึกตัวนี้แหละคือสิ่งที่เรายังไม่รู้น่าสนใจไหม เรารู้อะไรมาตั้งเยอะตั้งแย่นะแต่เราไม่รู้ว่าเรากำลังหลงคิดอยู่กำลังหลงนะอยู่ในความคิดนะอันนี้น่ากลัวมากเลยถือว่าเป็นโศกนาต ร, รรมที่เราไม่รู้แล้วกำลังเพลิดเพลินอยู่ในวงของความคิดเรากำลังติดคุกความคิดอยู่เคยได้ยินไหมคุกแห่งความคิดถ้ามันคิดดีนะใจมันก็ฟูนะถ้ามันคิดไม่ดีนะใจมันก็แฟบนะใช่ไหม คิดถึงคนที่เราลักนะแหมยิมคิดถึงจะนัดดูหนังกันนะยิ่นะพอแฟนมาโทมายกเลิกหน้าจ้อยหมกมุ่นอยู่กันนะเห็นไมอันนี้แหละฮะคือการที่เราติดอยู่ในวงของความคิดสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าการใช้ทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดของเราคือกายกับใจของเรานี่แหละมาทำตรงนี้ฮะ มาเจริญสติทำไมจึงต้องเจริญสติเพราะการเจริญสตินั่นแหละพระพุทธองค์กล่าวยกย่องว่าเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวที่จะนำเหล่าสัตว์เนี่ยไปสู่ความบริสุทธิ์แล้วก็พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงน่าสนใจไหมปัจจัยสี่ที่เรามีอยู่เกินพอเกินพอนะที่จะใช้ปัจจัย ไม่ใช่เป้าหมายนะต้องทำความเข้าใจให้ดีภาษาไทยเนี่ยมีความหมายลึกๆซ่อนอยู่คำว่าปัจจัยไม่ใช่เป้าหมายเรานั้นชีวิตของเราเนี่ยเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังตโตๆไม่ได้อยู่ที่ว่ามีเครื่องนุ่งห่มสวยๆงามๆเยอะๆไม่ได้อยู่ที่ว่ายาดีๆหมอดีๆนะไม่ได้อยู่ที่อาหารอร่อยๆอาหารดีๆเพราะว่าภาษาก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นแค่ปัจจัย เห็นไหมครัไม่ใช่เป้าหมายดังนั้นถ้าเราปฏิบัติไปเนี่ยเรามีชีวิตอยู่เพื่อเป้าหมายของสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยแสดงว่ามันผิดแล้วนะผิดล้ปัจจัยมีอยู่ใช้เพื่อทําอะไรนะถ้าขาดแคลนปัจจัยสี่ชีวิตเราจะทุกข์ถูกไหมเหมือนกับคนที่เขาไม่มี เ, เงินไม่มีทองต้องเขาเรียกปากกัดตีนถีบหาเช้ากินขําแต่ของเราเนี่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นแสดงว่าเรามีปัจจัยสี่พร้อม พร้อมที่จะทำให้เกิดมีความสุขแล้วก็ความสบายเห็นไหมมีความสบายแต่ถ้าเราจบอยู่แค่นี้เอาความสุขกับความสบายสบายเนี่ยเป็นเป้าหมายของชีวิตเนี่ยเรากำลังขาดทุนแล้วนะและนั่นเป็นการลงทุนของธรรมชาติเป็นการลงทุนของพ่อแม่ของเราอย่างไม่คุ้มค่าที่สุดเพราะว่าเราคิดว่าเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคือความสุขแล้วก็ความสบายถ้าเรามาทแล้วมาติดอยู่แค่นี้เนี่ย นั่นยังไม่พอเพราะว่าอะไรพอเราดูลึกๆนนเนี่ยภาษามันก็ฟ้องเราคาว่าสบายเนี่ยมาจากภาษาบาลีคาว่าสปายะนะสปายะสปายะแปลว่าอะไรแปลว่าเกื้อกูลเหมาะสมเห็นไหมฮะนั้นแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่เอาความสุขและความสบายเนี่ยอันทึงก็คือมีปัจจัยสี่ถูกไหมฮะเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดความสุขความสบายเห็นไหมฮะ แล้วต่อไปเนี่ยเราใช้อะไรใช้ความสุขความสบายไปทําอะไรเห็นหมฮะเพะฉนั้นบันไดขั้นต่อไปก็คือต้องเอาความสุขความสบายเนี่ยไปปฏิบัติทำถ้าเราไปนอนอยู่บนความสุขความสบายนะั้นนะตายตายฟรีนะตายฟรีนะตายฟรีนะไปปฏิบัติทำคืออะไรไปปฏิบัติทำก็คือตัวนี้ฮะพัฒนาจิตตัวเองยกระดับจิตของตัวเอง จากเป็นผู้ที่ไม่มีทานก็มีจิตใจที่ฝักไฝให้ทานเป็นผู้ที่ไม่มีศีลก็เป็นผู้ที่มีมั่นคงในศีลนะจเจริญสติภาวนาทำกรรมฐานเห็น ไ, ไหมฮะตัวนี้ฮะที่จะนำพาชีวิตของเราเไปสู่ที่สูงยิ่งย่งขึ้นไปโดยอาศัยปัจจัยสี่เป็นพื้นเอาความสบายเอาความเหมาะสมที่เรามีอยู่นะในสิ่งแวดล้อมที่ดีงามพัฒนาตัวชีวิตให้ไปสู่ที่ปลอดภัยได้อย่างแท้จริง ตัวเหตุสาคัญที่สุดก็คือความคิดโดยเฉพาะความคิดที่หมกมุ่นที่ฟุ้งซ่านที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดนะหลวงพ่อครูบาอาจารย์เนี่ยท่านใช้คาว่าลักคิดนะลักคิดขโมยคิดเรานั่งกินข้าวอยู่เนี่ยเคยเห็นเคยเห็นมันขโมยคิดไหมเรานั่งกินข้าวอยู่อ้าแล้วมันทำไมมันคิดไปนู่นล่ะใช่ไหม เราเคยแปลงฟันอยู่แล้วไม่คิดถึงเรื่องอะไรแล้วอยู่กับการแปลงฟันตลอดมีไหมน่าสนใจนะว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะเราเดินจกรงจากบันไดห้องที่บ้านของเราแ่แต่ใจเราอยู่ที่ที่สำนักงานใช่มั้ยะอาการอย่างนี้แหละครับที่เรียกว่าความหลงอาการอย่างนี้แหละครับที่เรียกว่าความเผลอและตรงนั้นแหละคือสภาวะที่เรียกว่าขาดสติพอขาดสติเสร็จปุ๊บผีเข้าเลย ผีเข้าเลยนะตายแล้วตอนนั้นอ่ะนะพอขาดสติปุ้บในวิญญาดออกจากล่างไปแล้วนะะนั้นถ้าหากเราไม่ได้ฝึกจิตใจอย่างนี้ไว้นะฮะมันจะมีผลตอนไหนมันจะมีผลตอนที่เราต้องประสบกับความทุกข์ตอนนี้เราอาจจะยังไม่เจอสภาวะนั้นเพราะว่าเราอาจจะยังมีวิบากกรรมที่ดีอยู่แต่ท่านเชื่อไหมว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเจอจะต้องมี ไม่ได้แช่งนะนะจริงๆเราก็เจอกันอยู่แล้วแหละอารมณ์ที่น่ายินดีที่น่าพอใจใช่ไหมบางทีอยู่ในสํานักงานเดียวกันอยู่ในแผนกเดียวกันก็อาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันนะมีการกรนะักรแนแหนกกัแหนการมีการขัดแย้งกันในแง่ของการทํางานในแง่ของอารมณ์นะกลับบ้านไปอาจจะเป็นคนที่บ้านที่อะไรก็แล้วแต่สารพัดปัญหาที่เราเจออยู่จริงๆเราเจออยู่แล้ว นะแต่บางทีเราก็กลบเกลื่อนมันไปแบบรูบๆคลำๆนะหมกเม็ดมันไปเรื่อยๆอะไรทํานองนั้นนะมันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่แท้จริงนะเราอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นเราอยากให้คนนี้เป็นอย่างนี้นะตามใจที่เราจะอยากจะให้เป็นนะแต่ว่าเราไม่เคยทําได้แล้วเราก็ต้องมางุดหงิดแล้วมาลาคาญประเภทสมบูรณ์แบบนะ perfectionist เคยได้ยินไหมอะไรก็ต้องเนี้ยบนะอะไรก็ต้องเป๊ะเนี่ยนะพวกนี้น่าสงสาร เพราะว่าใจเขาแทบจะไม่หาความสุขได้ยากนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราสับเพ่านะคนละเรื่องนะฮะเรายังคงทำงานด้วยความรอบคอบนะฮะังความทํางานด้วยความที่เรียกว่าเป็นไปตามกติกาของโลกนะฮะพะสมมุติเราก็ต้องใช้แต่ระวังสมมติเป็นเราอาจจากออกจากสมมติเป็นนะ ชีวิตอย่างนี้ครเป็นการใช้ชีวิตที่คุ้มค่าและนั่นคือการตอบแทนที่ผมอยากจะเน้นตรงนี้ให้เด่นเป็นพิเศษในการที่ผมมามาพูดในที่นี้เพราะว่าการตอบแทนบุญคุณด้วยอย่างอื่นเนี่ยผมเข้าใจว่าเราเร า, เราท่านท่านเนี่ยรู้กันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะมีโอกาสได้ทําเมื่อไหร่แค่นั้นเองแต่ประเด็นตรงนี้ว่าจะใช้ชีวิตยังไงที่ให้คุ้มที่สุดกับเราที่เราได้เกิดมานั่นคือการตอบแทนบุญคุณที่ดีที่สุดของผู้มีพระคุณของเรายกตัวอย่างอันหนึ่งนะฮะว่าสมมุติว่า มีใครให้ของเรามาสักอย่างหนึ่งนะสมมติยกตัวอย่างอาจจะเป็นเอหรียญ น, นะเหรียญอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นเหรียญสิ บ, บาทนะเขาบอกว่าเนี่ยไ ป, ไปเป็นเหรียญเก่านะเหรียญโบราณเขาให้มาพอเราให้เรามาเนี่ยเออเราก็รู้สึกขอบคุณเขานะเออมีคนให้มีความรู้สึกดีๆให้กันให้เป็นของขวัญมาเราก็รู้สึกดีขอบคุณเขาแต่ต่อมาเราพบว่า ไอเหรียญธรรมดาธรรมดาเนี่ยเหรียญเก่าเอันนี้เนี่ยโอยมันสามารถเนรามิตอะไรเราได้ตั้งหลายอย่างแน่ใช่ไหมเนลมิดให้เราได้ตั้งหลายอย่างอยากได้อะไรเนี่ยโอย้มันเนรามิตให้ได้ถึงเยอะแยะเลยความรู้สึกถึงคนที่เขาให้เรามาเนี่ยจะเปลี่ยนไปไหมผมว่าเปลี่ยนนะใช่ไหมเราจะซาบซึ้งในบุญคุณของคนที่ให้เราเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยผมว่าหลายเท่านะหลายเท่าถ้ายิ่งของนะั้นเป็นของวิเศษเนี่ยนะ นะเจ็บไข้ได้ป่วยนะเอาไปแช่น้ํากินแล้วหายโอ้โหใช่ไหมเราทั้งเคารพทั้งศรัทธาทั้งเลือ่อมใสแทบจะไปหมอบกราบอยู่แทบเท้าเลยทีเดียวใช่ไหมฮะเช่นเดียวกันถ้าเราสามารถที่จะรู้จักคุณค่าของกายของใจเราได้อย่างแท้จริงเนะี่ยเราจะรู้สึกสํานึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ของเราได้อย่างแท้จริงตอนนี้เรารู้สึกธรรมดาเฉยๆเราเป็นลูกอ๋อท่านกันเลี้ยงเรามา นะเป็นหน้าที่ของท่านเราเป็นลูกนตอบแทนบุญคุณท่านไปตามวาลาตามโอกาสแต่ถ้าเราสามารถที่จะใช้กายใช้ใจของเราเนี่ยพัฒนาตัวชีวิตจิตใจของเราเนี่ยให้สูงขึ้นดีงามยิ่งขึ้นนะไปสู่ความที่เรียกว่าไม่มีความทุกข์ได้ในที่สุดในโอ้เป็นสิ่งที่เราจะรู้สึกเลยว่าบุคคลให้กู้ให้กําเนิดเรามานั่นแหละเป็นบุคคลที่เรียกว่าหาไม่ได้อีกแล้วเราจะรู้สึกซาบซึ้ง ยิ่งกว่าควาว่าทราบซึ้งนะฮะอันเนี้ยความรู้สึกยันเนี้ยที่อยากจะให้ทุกๆ ท, ท่านเนี่ยได้รับเช่นเดียวกัน mm. ผมเองผมก็ไม่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่อ้ที่มีชีวิตนะที่มีชีวิตนะแต่คุณพ่อคุณแม่ยังมีอยู่ในใจนยังมีอยู่ในใจน mm. เราไม่สามารถที่จะตอบแทนบุญคุณท่านได้ในแง่ของร่างกายแต่เราพยายามใช้ตัวกายตัวใจของเราเนี่ย ไปสู่สิ่งที่ดีงามยิ่ ง, งขึ้นไปอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่อย่างแท้จริงนะยิ่งกว่าการที่เราซื้อดอกไม้นะดอกมะลิไปกราบท่านนะไปเจอหน้าท่านนะรือว่าการเป็นแค่เป็นคนดีธรรมดาที่เฉยนั้นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยาก ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เห็นไหมฮะเวลาพูดโกหกเนี่ยใครบังคับให้เราพูดโกหกไม่มีนะใครบังคับให้เราตบยุง <c oughs> ความดีใช่ไ้ยเดี๋ยวมันจะไปกัดลูกกูนะ <c oughs> แม่กูนะใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยยุงมันไม่ฉลาดกว่าคนหรอกใช่ไัม ย, ยุงมันไม่ฉลาดกว่าคนหรอกยุงอะ่ะมันมีทำหน้าที่ของมันอย่างเดียวมันมี ทำหน้าที่ในการหากินหาเลือดกินเราฉลา่ยกว่าเขาเราทำยังไงที่จะไม่ให้ยุงมันเข้าอะ่ะนะที่บ้านผมเนี่ยนะมันมีมุ้งลวดเป็นบ้านพักข้าราชการมุ้งลวดก็ขาดเพราะว่าลูกเด็ ก, ดกนะวิ่งเข้ากต่อมาเพราะนั่นนะพังนะพังก็ถอดออกเลยทีนี้ประตูเปิดเข้าเปิดออกทีนี้ก็ยุงอิสาระเสรีเล ย, เลยทำไงซื้อมุ้งมากางนะซื้อมุ้งมากางเด็กมันก็วิ่งเข้าวิ่งออก นะ้าเล่นกันบั่งอะไรกันบ้างยุงเข้ามุง้งทำยังไงล่ะทีนี้ยุงเข้ามุง้งเราเนะี่ยต้องทำสิ่งที่เรียกว่าสอนเขาเพราะว่าอย่างที่บอกว่านิสัยเนี่ยคือเกิดจากการทำซ้ำๆแล้วทำยังไงไล่จับยุงฮะไล่จับยุงเอาไปปล่อยข้างนอก <c oughs> นะถ้าเป็นแม่เขาทำไงเมื่อก่อนนี่แม่จะไล่ตบไล่ตีอย่างอย่างที่คุณพี่เป็นนั่นแหละ แต่เราต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะว่าเรากําลังทําอะไรให้ลูกดูเราอยากให้ลูกเราเนี่ยมีหลกักประกันในชีวิตไหมนะการที่เขาไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์เนี่ยผลที่เกิดที่เป็นผลดีต่อเขาระยะยาวนะั้นดีขนาดไหนเป็นการสร้างอุปนิสัยให้เขามีจิตใจที่เมตตาแม้แต่สัตว์เดรัจฉานที่มันไม่รู้เรื่องอะไรนี่คือการเป็นจุดเล็กๆ น, น้อยๆที่เราต้องตอกย้าตั้งแต่เขาตัวเล็กตัวน้อยเพราะว่าเมื่อเขามีอุปนิสัยอย่างนี้สิ่งดีงาม ที่ยิ่งย่งขึ้นไปก็จะมากขึ้นเราไปมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆเพิ่ง น, นี้ซึ่งอันตรายมากนะเรื่องอันตรายมากผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะขออนุญาตเล่าให้ฟังก็บอกว่าเอาในที่นี้ก็ได้ในที่ทํางานนี่ก็ได้มีคนสองคนหนึ่งเป็นคนดีกับสองเป็นคนฉลาดเราจะเลือกใครนะเพราะว่าคนฉลาดมันมักจะมีปัญหานะ ไอคนฉลาดมันมักจะมีปัญหานะแต่ถ้าฉลาดด้วยทั้งเป็นคนดีด้วย the best ใช่แต่คนที่เก่งไร้พวกนี้มักจะมีปัญหาไม่รู้เป็นอะไรนะไม่รู้เป็นอะไรแต่ถ้าเราต้องการจริงๆถ้าเราเลือกได้ถ้าเรารู้นะฮะเราจะเลือกคนดีนะคนดีที่ฝึกได้คนดีที่ฝึกไ ด, นะ ด, กได้งานของเราเนี่ยเรียนมาหัวแทบผกใช้จริงๆอะเท่าไหร่ ใช่ไหมฮเราเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาแทบเป็นแทบตายยกแคนคูลัสทํานู่นทํานี่สูตรเคมีเยอะแยะมากมายมหาศาลถามว่าชีวิตจริงๆมันใช่รึเปล่าใช่ไหมฮะวันเราเรียนเยอะแยะมากมายนี่คือความล้มเหลวของระบบกา ร, รศึกษาไทยนะฮะเราต้องการจริงๆคือคนดีเพราะคนดีเนี่ยมันสร้างความทุกข์ให้คนอื่นไม่เป็นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการที่เราเลี้ยงดูเด็กเนี่ยอันที่หนึ่ง ลูกต้องไม่แสบหนึ่งลูกต้องไม่แสบเลี้ยงเขาแล้วนะอย่าให้เขาแสบนะเมื่อโตขึ้นนะสองไม่โง่สามต้องมีน้ําใจเราต้องการคนประเภทนี้ไหมเราต้องการคนแสบไหมเราต้องการคนโง่ไหมต้องการคนที่แห้งแรงน้ําใจไหมแล้วเราเจออยู่ครบเลยใช่ไหม <laughs> S <S <an> ใช่ไมไม่แสบนะไม่แสบทางโลกแล้วก็ไม่แสบทางธรรมในขณะเดียวกันไม่โง่ก็คือไม่โง่าทางโลกแล้วก็ไม่โง่าทางธรรมความมีน้ำใจ <S <S <an> <S เห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ประเทศชาติของเรากำลังขาดแคลนสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆถามว่าเราอยากให้มันเกิดขึ้นไหมอยากแล้วอยากแล้วมันจะสาเร็จไหมไม่สาเร็จแล้วถ้าอยากเฉยๆก็ต้องลงมือทา แล้วลงมือทไจะทำยังไงก็ทำตัวเราเองนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดก็คือกลับมาสู่ตัวเองเริ่มที่ตัวเราทำให้สําเร็จแล้วเราจะเหนียวนำสิ่งแวดล้อมข้างๆของเราเไปด้วยกันตรงนี้สำคัญนะถ้าเราทำตัวเป็นอุจจาระอะไรจะมาหาเราฮะไม่หวนถ้าเราทำตัวเป็นดอกไม้ ดอกบัวอะไรจะมาหาเราใช่ไหมฮะเช่นเดียวกันนะถ้าเราต้องการสิ่งดีๆในชีวิตของเราเราอยากได้การยาณมิตรได้อยากคนที่มีความจริงใจต่อเราเราต้องทําที่ตัวเราก่อนทําให้ดีก่อนเดี๋ยวจิตใจเนี่ยมันเป็นมันเป็นธาตุมหาสัจย์นะมันเป็นธาตุมหาสัจย์มันรู้กันนะมันรู้กันมันจะดึงดูดสิ่งเหล่านี้เนี่ยพวกพ้องเดียวกันเนี่ยหมุนเข้ามาหากันมากขึ้นเรื่อยๆนะทั้งๆที่เราไม่มีเจตนาที่จะ จะต้องสอบหาหรือว่าไม่ต้องต้องต้องเรียกว่าค้นหาใครเดี๋ยวมันจะดูดเข้ามาหากันมันเป็นเรื่องที่แปลกงนั้นตรงนี้ครับอยากให้ทุกๆ ท, ท่านเนี่ยได้ลองสัมผัสดูดนะเริ่มจากการให้ทานรักษาศีล น, นะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานี่คือสภาวะของการมีสตินะอุจละอยู่ก็รู้อยู่กับการนั่งถ่ายอุจจะมันเผลอคิดไปแน่เผลอแล้วกลับมาเราเดินไป ทำงานเราก็รู้อยู่กับการเดินนี่คือสภาวะที่เรียกว่ามีสติมันเผลอคิดไปเรารู้ทันเรากลับมาง่ายๆการมีสติเป็นเรื่องง่ายๆพอเราสร้างสติบ่อยๆมีสติบ่อยๆความเป็นผู้มีสติตั้งมั่นน่นแหะครับจะทาให้กิเลสลากเราไปไม่ได้เห็นไหมฮะลากเราไปไม่ได้ความคิดที่มันเกิดขึ้นมาที่เราไม่พึงปรารถนาเนี่ยเราสามารถที่จะสลัดมันพ้น อันเวลาเราปฏิบัติทำเนี่ยเวลาเราเจริญสติเนี่ยเราจะเป็นคนที่เรียกว่าทุกข์ยากสุขง่ายพอความทุกข์มันจะมาเนี่ยมันจะมาจากความคิดใช่ไหมฮะไม่ว่าจะคิดพยาบาทคิดอาฆาตคิดรักคิดหวงคิดหึงคิดอิจฉาริษยาตัวเนี้ยมันจะมากับความคิดพอเรารู้ทันเสร็จปุ๊บเราสามารถที่สลัดความคิดออกจากใจของเราได้เนี่ยจิตใจของเราจะเป็นอิสระแล้วจิตใจที่เป็นอิสระนั่นแหละคือจิตใจที่มีความสุขอย่างแท้จริง พระองคกล่าวไว้ว่าจิตของเรานั้นนะจิตเดิมแท้เนี่ยมันประพัฒสอนอยู่แล้วไม่ต้องไปทําอะไรนะเพียงแต่ว่าไม่ให้กิเลสมันครอบงําก็จบอยู่แค่นั้นนะอะไรที่จะทําให้จิตใจของเราเป็นอิสระไม่ถูกกิเลสครอบงําสติครับสติแต่ต้องเป็นสติที่ฝึกแล้วนะเป็นสติที่มีพลังเป็นสติปัฏฐานไม่ใช่สติแบบอย่างนี้นะสติที่ยังสลัดความคิดไม่ออกนี่ยังใช้ไม่ได้ก็เลยยังไม่มีแรง และยังไม่มีกําลังนะเป็นใจที่ไม่มีกําลังหรือว่ายังไม่มีกําลังใจนั่นะนะอันเดียวกันนะครับก็ผมใช้เวลามาใกล้จะหมดโคต้านะมีผู้ส่งสัญญาณมาแล้วว่าใกล้จะหมดเวลาผมก็คิดว่าอยากฟังความเห็นนะครับอยากฟังคําถามนะครับจากาทุกๆ ท, ท่านนะหลังจากที่เราได้นั่งฟังมา พักใหญ่ๆแล้วเนี่ยมีมีคำถามให้เอาคําถามก็ได้น ะ, ะเพื่อที่จะเป็นประเด็นที่แลกเปลี่ยนกันนะถ้าหากใครที่มีกิจการที่จะทํางานเรื่องอะไรก็ก็เชิญได้นะครเพราะว่าเรื่องที่ต้องการสําคัญจริงๆที่ต้องการสื่อสารเนี่ยผมพูดไปแล้วน ะ, ะที่เหลือนี่คือเป็นเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยนะครับไม่เกรนไม่เกรนนี่จริงๆแล้ว ตัวตัวที่เริ่มเป็นไมเกรนนะตัวที่เป็นไมเกรนเองเนี่ยเป็นที่โรคทางกายนะเป็นระบบของหลอดเลือดที่มันมีการหดตัวแล้วมีการขยายตัวอย่างอย่างฉับพลันสาเหตุกระตุ้นที่สำคัญที่สุดนะก็คือความเครียดความเครียดในที่นี้เนี่ยมีความเครียดอยู่สองอย่างก็คืออันที่1ก็คือความเครียดทางจิตใจกับอันที่สองคือความเครียดทางด้านร่างกายเช่นเราอดนอน นี่ก็ถือว่าเป็นความเครียดทางด้านร่างกายนะฮะแม้แต่มีประจำเดือนเนี่ยก็เป็นนะบางคนเป็นนะบางคนาตากแดดหน่อยก็เป็นร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะหิวข้าวบางคนเป็นเลยนี่คือความเครียดทางด้านร่างกายอีกการหนึงคือของความเครียดทางด้านจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยที่สุดนะมีเรื่องวิตกกังวลมีเรื่องที่คิดไม่เลิกนะเล่าไม่เลิกคิดอย่างเงี้ยนะ นี่ก็จะเป็นได้บ่อยสังเกตด้วยช่วงไหนที่เรามีเรื่องไม่สบายใจเนี่ยเราจะปวดทีนะแล้วเป็นโรคที่รักษาไม่หายนะมันเป็นให้หายนะถ้าอยากเป็นมากๆก็เครียดบ่อยๆนะแต่ถ้าอยากหายก็เลิกเครียดอาหารก็มีส่วนนะอาหารนะต้องสังเกตดูว่าอาหารประเภทไหนที่กินแล้วเป็นบางคนกินช็อกโกแลตเป็นนะบางคนกินอ่าก็เรียกภาษาไทยเขาเรียกว่าของสแสลงนะฮะเราต้องลองสังเกตเอา เหมือนกันเลยฮะเหมือนกันเลยเหมือนไมเกรนโรคตระกูลเดียวกันตระกูลเดียวกันอป้องกันก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเหตุที่ทําให้เกิดเนะี่ยมาจากอะไรแล้วหรอที่แก้ที่เหตุเท่านั้นบางคนบอกว่าโอ้ไม่อยากเป็นโรคกระเพาะเลยแต่กินข้าวมันเคยตรงเวลาอย่างเงี้ยนะทํำยังไงมันก็ไม่หายหายแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นอีกนะเหมือนกันก็คือกลับไปที่เหตุเหตุอยู่ที่ไหนแก้ที่นั่น อยากหายเดีย๋ยกินน้ำบัดลมอยู่อย่างเงี้ยยังไงก็ไม่หายเพราะว่าน้ำบัดลมมันเป็นปฏิเขาเรียกอุปสรรคโดยตรงต่อการหายของของโรคกระเพาะแล้วความเครียดเนี่ยต้องออกจากความคิดให้เป็นนะอันที่หนึ่งนะฮะเวลาเรามีความเครียดเนี่ยอันที่หนึ่งคือต้องยอมรับความจริงก่อนเช่นเราถูกแฟนหักหลังนะอะไรสักอย่างหนึง่งเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่านี่คือความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรา นะอันที่สองคือว่าอดทนต่อช่วงนั้นไปก่อนนะถ้าเรายังไม่ได้ฝึกจิตอะไรนะฮะนี่กําลังจะใช้วิธีว่าคิดเอาอะก็คือต้องอดทนนะอดทนไปก่อนนะเพราะว่าความทุกข์มันก็ไม่เที่ยงนะที่ภาษาเขาว่าการเวลาเป็นเครื่องเยียวยาแผลใจนะนะนะอดทนไปก่อนสักระยะหนึ่งเสร็จแล้วความทุกข์มันจะค่อยๆน้อยลงนอกจากนั้นแล้วเราอาจจะคิดช่วยนะคิดช่วยคิดละ คิดวางคิดให้อภัยคิดเมตตานี่คือการใช้ความคิดแต่ถ้าสำหรับที่เป็นผู้ที่จเจริญสติแล้วนะฮะเราสามารถสลัดความคิดทิ้งได้เมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่เครียด น, นะการสลัดความคิดทิ้งเนี่ยมันฟังดูแล้วมันสงสัยเนาะมันสลัดยังไงของมันอยู่เนื้อเดียวกันนะมันจะสลัดยังไงเนาะ ต้องมีพลังสตินะตอนนี้เนี่ยใจของเรานะกับความคิดเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราจเจริญสติไปเรื่อยๆจน ส, สติเราแก่กล้าเข้มแข็งขึ้นนะมันจะแยกใจออกจากความคิดทุกครั้งที่เราเผลอแต่คราวใดที่เรารู้ตัวใจที่เป็นอิสระนั่นแหละใจที่สบายเป็นธรรมดางั้นถ้าเราต้องการที่จะแก้ทุกอย่างจริงๆนะ ต้องออกจากความคิดให้เป็นก่อนตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากออกมาเห็นความคิดออกมาดูความคิดแต่เราเห็นไม่ได้ดูไม่ได้หรอกถ้าเราไม่มีสติที่เข้มแข็งเวลามีความคิดขึ้นเราก็ไหลไปตามความคิดไปในอดีตไปในอนาคตไปในเรื่องราวที่มันปรุงแต่งขึ้นมางั้นโลคกรเพาะไม่หายนะไม่หายเอาอย่าเพิ่งไปสําเร็จนะเพราะว่าเราหลงมาไม่รู้กี่ชาติ <laughs> นะเราหลงมาไม่รู้กี่ชาติ เรายังคงต้องใช้ความเพียรต่อไปนะฮะ<ๆ>ก็คือคราวใดจุดเริ่มต้นที่สาคัญที่สุดคือตั้งสติให้เป็นนะตั้งสติให้เป็นวิธีการตั้งสติง่ายก็คือการที่มีเรามีสติรู้กับปัจจุบันขณะนะฮะเช่นว่าเรากําลังทานข้าวอยู่เนี่ยเรากําลังตักข้าวเราก็รู้อยู่กับการตักข้าวเคี้ยวข้าวก็รู้อยู่กับการเคี้ยวข้าว <S <S ๆๆเดี๋ยวมันจะคิดเราก็มีหน้าที่แค่ว่าไม่คิดตามมันนะไม่ต้องไปสงสัยมันไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเพียงแค่ว่าเรากลับมากินข้าว รู้อยู่กับการเคี่ยวเหมือนเดิมต่อไปทำอย่างนี้ฮะบ่อยๆกับทุกๆงานทุกๆงานยกเว้นว่าเรามีเจตนาที่จะคิดวางแผนอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเหมือนกันนะใช้ได้แต่เขาหลังท่านมันรู้เฉยๆก็ไม่ต้องไปบอกมันแล้วนะพราะแค่รู้ว่ากําลังเดินอยู่ก็จบแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปสอนมนันเองก็ได้นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันสอนไม่เลิกนะพอเรารู้ตัวอยู่ว่ากําลังเดินเนี่ยก็โอเคแล้วกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันละ นะเน้นที่รู้ปัจจุบันขณะหวีผมรู้อยู่ ก, การหวีผมนะแปลงฟันรู้อยู่ ก, การแปลงฟันทําได้ไหมนะไม่ต้องไปวัดนะไม่ต้องไปวัดนะวัดสองขาเนี่ยนะวัดสองขานะอาบน้ําถูเนื้อถู ต, ตัวรู้อยู่กับการทํากิจกรรมเนี่ยฮะแค่นี้เองนี่คือจุดตั้งต้นที่สําคัญมากของการปฏิบัติธรรมตั้งสติให้ได้ก่อนนะ นะตั้งสติให้ได้ก่อนสติจะมีอยู่ตรงไหนสติอยู่มีจงปัจจุบันฮนะสติไม่มีในอดีตสติไม่มีในอนาคตสติมีอยู่ปัจจุบันขณะเดียวฮนะขณะเดียวขณะต่อขณะแล้วพ่องยักหน่วหั ว, หวเนี่ยรู้สึกเนี่ยจบละจบแล้วนะแล้วมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับดงนั้นเวลาจเจริญสติเมื่อมันคิดไปรู้ว่าคิดจบแล้วนะจบแล้วไม่ใช่ไม่ห้ามไม่ให้มันคิดนะดะังนั้นคนที่ไม่คิดเนี่ย คือคนที่ตายแล้วม ไ, มไม่ต้องห้ามออออโอเคแล้วรู้ว่ามันคิดก็จบแล้วเรากลับมาอยู่ที่กายของเราธรรมดาธรรมดานี่เองมีปัจจุบันให้จิตเราเนี้ยเป็นจุดที่รู้อยู่เนี่ยตัวเนี้ยฮะแต่รู้อยู่ในขณะที่รู้ที่ปัจจุบันเนี้ยก็ไม่ใช่รู้อยู่แบบยึดอยู่เข้าใจไหมฮะมีคากล่าวของครูบาอาจารย์ว่าเวลารู้เนี่ยอดีตก็ไม่ยึดถือนะอนาคตก็ไม่ยึดถือรู้ปัจจุบันแล้วก็ไม่ยึดถือปัจจุบัน นะถ้ายึดปัจจุบันอยู่ร like. um ู้อยู่พ่อจ้องให้มันรู้อยู่ตรงี Secondly ้นะอันนี้ไม่ใช่ละนะนี่เรากําลังยึดปัจจุบันเพราะปัจจุบันมันมีนิดเดียวพอเรายึดปัจจุบันนันก็คืออยู่ในอดีตนั่นแหละมันไปแล้วมันไหลไปแล้วนะั้นรู้แล้วปล่อยเลยรู้แล้วปล่อยเลยรู้แล้วผ่านเลยรู้แล้วแล้วไปไม่รู้แล้วก็รู้แล้วไปนะฝังแล้วงงไหมนะรู้แล้วก็แล้วไปนะไม่รู้ก็แล้วไป นะรู้เอาใหม่รู้เอาใหม่รู้เอาใหม่หมที่ปัจจุบันขณะอย่างเงี้ยฮะเรานั่งอยู่ที่โต๊ะทางานเราเนี่ยไม่มีอะไรทํานะไม่ต้องละเมอคิดไปนะนั่งเคาะมืออย่างเงี้ก็ได้นะให้มันมีการกระทําเนี่ยเราเคาะอยู่เนี่ยรู้สึกไหมรู้สึกไหมฮะรู้สึกที่มือที่กําลังสัมผัสเข่าเราไหมที่หน้าขาเราเนี่ยแค่นี้เองเรายีนิ้วได้ไหมลองยีนะะิ้วดิฮะรู้สึกไหมฮะรู้สึกไหมรู้สึกที่นิ้วที่มันสัมผัสกันไหมรู้สึกไหมคะเท่านั้นเองนะ เรารู้สึกมีรู้สึกตัวอยู่นะเราจะไป น, นั่งอย่างนี้นะอย่างนี้เนี่ยเป็นอุปนิสัยของอะไรรู้ไห ม, มการอย่างเนี้ยเป็นอาการของอะไรรู้ไห ม, มสัสตว์เดรัจฉานนะ <laughs> ทุกครั้งที่ผมพูดเรื่องนี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างหมาที่บ้านนะชื่อไอแสบนะ <laughs> เวลามันนั่งไม่ทำอะไรนะั้นขามันจะมานั่งกอดเกยกันแล้วก็ตาอย่างเงี้ยนฮะ ครูบาอาจารย์บอกว่านี่แหละจิตใจอย่างนี้แหละถ้าเราฝึกไว้บ่อยๆเนี่ยตายไปจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนะตั้งใจลอยนะะนั่งใจลอยนั้นถ้าเราไม่อยากไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอย่าไปฝึกนิสัยอย่างนั้นเพราะนิสัยคือการทําบ่อยๆอย่างที่บอกนะนะไปนั่งใจลอยอยู่ริมหน้าต่างแล้วก็มองเบิ้งไปอะไรอย่างนี้นะเคลือนเลือนไปอย่างนีนะ้อันตรายมากนะรู้อยู่นี่นะรู้อยู่นี่นะอยู้อยู่กับเนื้อ ก, กับตัวเรานี่ นั่งอยู่ในรถเมลเราก็กระดิกเท้าได้เห็นไมใช่มใครจะรู้ว่าเราทำอะไรนี่กำลังทำความรู้สึกตัวอยู่แล้วเนี่ยนะไม่ใช่ฮัมเพลงนะอย่างนี้เป็นต้นนะยีนิ้วข้อปากการู้อยู่แค่นี้ฮะรู้อยู่กับปัจจุบันฝึกตรงนี้ฮะทำให้มากๆและนี่แหละคือการใช้ให้ชีวิตของเราเนี่ยคุ้มค่าที่สุดเลยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแค่นี้เองฮะเล็กๆแค่นี้เองนะ รู้อยู่รู right to right ้อยู่รู้อยู่กับตัวเราทำตัวรู้นะทำตัวรู้ให้มั่นคงให้ตัวคิดมันน้อยๆนะอาหารมีก้อนเดียวนะเค้กมีอยู่ก้อนเดียวเราจะให้ความคิดเอาไปกินหรือจะให้ความรู้ไปไปกินเค้กมีก้อนเดียวถ้าความรู้ไปคิดนะคิดคิดคิดคิดแล้วความรู้โตโตโตโตโตนะตัวรู้นี้เดียวแต่ถ้าเรารู้อยู่รู้อยู่ไม่ไหลไหลไปตามความคิดนะ ความคิดเมื่อกี้เนี่ยมันจะผอมลงไปเรื่อยๆเพราะมันไม่ได้กินอาหารถูกไหมฮะงั้นกิเลสตัณหาอุปาทานไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเพียงแต่เราไม่สนใจมันไม่ให้อาหารมันมาตั้งสติอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวมันก็ค่อยๆฟอไปค่อยๆฟอไปอ่อนแอลงไปเรื่อยๆสติของเราก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นวันหลังเวลามันมีเรื่องอะไรนะมันจะมาเล่นงานเราเนี่ยมันเหมือนกับผู้ใหญ่ชกมวยกับเด็กอะนะเหมือนผู้ใหญ่ชกมวยกับเด็กอะตัวมันเล็กใช่ไหม มันเข้ามาเรามือคำหัวมันปุ๊บมันจะทําอะไรเราได้อย่างมากมันก็เตะแข้งเตะขาเราถูกไหมอันตรายไหมไม่เป็นไรเจ็บนิดนหน่อยหนอยเห็นไหมจิตใจของเราถ้ามีสติมีความตั้งมั่นของจิตใจของเราเนี่ยก็คือลักษณะอย่างเงี้ยฮะกิเลสมันยังมีอยู่มันยังไม่หายไปแต่มันมาแค่ว่าเตะแข้งเตะขาเราอะดีกว่ามันมาตีกระบาเราถูกไหมนั่นแหละเหมือนกันเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพลาดในชีวิตได้ ะะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับความทุกข์ได้และแน่นอนที่สุดก็คือทุกคนมีพ่อกี่คนมีแม่กี่คนมีพี่น้องกี่คนมีลูกเต้าสามีภรรยากี่คนต้องแยกจากกันทั้งหมดเพราะว่าความตายเป็นที่สุดของชีวิตของทุกๆชีวิตถูกไหมนะฮะและเมื่อความตายของบุคคลนันเป็นที่รักของเรามาถึงใจเราจะเป็นยังไงใจเราจะเป็นยังไงเราเคยคิดไว้บ้างไหมนะ บางคนไม่อยากคิดเพราะว่าคิดแล้วมันเศร้านะไปว่ากันสดๆเลยดีกว่า้วบางคนคิดอย่างนั้นนะนะขอมันทุกครั้งเดียวตอนนั้นนะนะกลัวการปฏิบัติธรรมนะกลัวนะเอาว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ตอนนั้นเก่าลุยกัตอนนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ย น, นะไม่จาเป็นนะเรามีวิธีการที่ดีกว่านั้นคือการเตรียมใจไว้ไอ้ที่เรียกว่ า, ายามศึกเราลบ นะยามสงบเราก็ฝึกไว้ใช่ไหมฮะตอนนี้ร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่โรคภัยไข้เจ็บมันยังไม่มาเบียดเบียดเราก็ฝึกไว้แต่มันไม่ได้เรื่องเสียหายอะไรไม่ต้องลงทุนอะไรก็เนี่ยก็แค่รู้สึกอยู่นะนะยีนิ้วรู้สึกอยู่นะข้อนิ้วนะเราต้องไปถ่ายจาัชระต้องไปปสัสสาวะต้องกินต้องดื่มต้องขับถ่ายต้องแต่งเมื่อแต่งตัวอยู่แล้วใส่รู้เข้าไปสัหน่อยแค่นั้นเองนะตอนแรกมันหลงนะหลง เพียงเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้มารู้ที่ปัจจุบนันขณะนี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่สําคัญและเมื่อเราสามารถที่จะเข้าถึงทำเข้าใจธรรมะเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไปเหนี่ยวนําคุณพ่อคุณแม่ของเราได้อย่างมีพลังนะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราจะกลับไปพูดให้พ่อเลิกเหล้าอย่างนี้นะโอ้โหนะถามว่าเราปรารถนาดีไหมต่อพ่อเราอยากให้เลิกเหล้าเนี่ยดีเราทําดีแต่ทํำดีนั้นเนี่ยทะเลาะกัน ใช่ไหมแล้วมันดียังไงใช่ไหมมันดียังไงทนะเลาะกับพ่อกับแม่เนี่ยดียังไงมันดีไม่ได้เพราะใจเรายังไม่ดีใจเรายังยึดถืออยู่ใจเรายังไม่รู้นะใจเรายังไม่ปล่อยเลยพอทําอยากจะให้พ่อเลิกกินน้อยๆพอพ่อบอกไม่เลิกแล้วืล้วทำให้ดูเนี่ยโอ้โ ห, โหพุ่งจีดขึ้นมาเลยนะอันนั้นมันนรกเปิดแล้วนะประตูนรกเปิดแล้วนะประตูนรกเปิดแล้ว นั้นต้องฝึกใจเราก่อนสำคัญมากฝึกใจเราก่อนแล้วเราจะสามารถกลับไปเกี่ยวข้องกับบุคคลนันเป็นที่รักของเราเนี่ยได้อย่างเพราะว่าดีเยี่ยมนะยังไม่เคยเป็นมาก่อน